หนังสือเรื่องพุทธธรรมเจบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาค 2. มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลางตอน 5. ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร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 ให้เป็นไปอย่างก่อผลดีบังเกิดคุณประโยชน์แก่มนุษย์ดังจะเห็นได้ชัดในคำสอนเกี่ยวกับหลักกรรมเป็นต้นโดยในยะนี้ถ้าใช้สับเฉพาะทางธรรมก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือปฏิปทาที่นำเอามัชเชนธรรมเทศนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อบรรลุผลที่มุ่งหมายของมัชเชนธรรมเทศนานั่นเอง ตามความหมายที่ได้แสดงมาจะมองเห็นหลักการสำคัญของจริยะรว่าแยกแยกออกไปได้เป็นสามขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่งรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือรู้เท่าทันธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขั้นที่สองใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทาการที่เป็นเหตุ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 เป็นแกนนาของความประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่อพูดอย่างสั้นจึงเรียกจริยธรรมนี้ว่าการเป็นอยู่ด้วยปัญญาและเรียกบุคคลผู้มีจริยธรรมนี้ว่าบัณฑิตแปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุที่ต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นระบบจริยะรคือมัค หรือมัชชิมาปฏิปทานี้จึงมีสัมมาทิฐิได้แก่ความเห็นชอบหรือเข้าใจถูกต้องเป็นองค์ประกอบข้อแรก